ตามานะ้าข้อเจ็ดสิบสาเราบทสัมทีข้อที่ยี่สิบเก้าพิสูรรูปไดรู้อยู่ใช้มิ น, บนาบารที่พิสุนีให้จัดแจงไว้ยกไว้นแต่ขลิหัดปลาลมไว้ก่อนต้องอนบัตปลาจิตอีนะครับ <c oughs> นี่นะข้อนี้พิสุนต้องรู้ท่้งรู้นะหมายเขาว่าอาหารมีนาบาทเนยพิสุนีจกกัดแจงไว้นะครับคือตอราทานยิ่เ <c oughs> ขาไมไ่ตั้งจิตถวายหรอก ทีนี้พิจุณีก็ไปจัดใจทางยกนะอ้าจัดจงให้ถวายแกพระนะพระก็รู้ทั้งรู้นะแล้ว ก, ลนะลก็ไปฉันอันนี้ก็ต้องแบบไอ้ทีโยกเว้แต่ว่าคขาเลือกฉันเขาเปล่าไว้ก่อนคือเขาตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าจะทําบุญจะถวายทาให้พระใช่ไหมแล้วพิจูนีก็ไปพูดสร้าวิธีหรือย่งนี้มีปัญหาไหมครับเพราะยัางเขาตั้งใจไว้ก่อนแล้วหรือว่ า, านี้ก็ได้ครับหรือว่าโยมคนนั้นน่ะเขาเป็นญาติเป็นปุโรนาของเราอยู่แล้ว ถึงเขาไม่ได้ตั้งใจเมื่ก่อนนะแต่เขาไปยนญตาตเป็นปนาเป็นคนที่เราสา ม, มารถขอได้ใช่ไหมพิจุนีเนี่ยไปจัดแจงเขาถวายเราอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เข้าในเขามากเขาไม่ได้เขาต้องมาข้อไก่อนเหมือนกันนะเราพอเราสามไม่จะน้องเรียกได้นะแอ่ถ้าไม่ใช่อย่างนี่นะครับก็ต้องมาตายดีถ้ามันดูต้นไม้เหก็ว่ามันต้นไม้ใหญ่มาจากักคร้งพิจุนีถุลละนันทายนะครับ นั่นนางเพลินอ้วนทุนลาดแปลว่อ้วนนันทาแปลว่าเพลินผู้หญงเนี่ยถ้านั swoją swoją mustache, <11 3. S 1> นท่านะครับแปลว่าเพลินผู้ชายแต่ชื่อผมถ้าเขียนภาษาพอดีก็จะเป็นนันทัชยะนะครับนันทัชยะทิขุนี้นะนันท่าก็เคลินทิขุนก็ชายนะครับเนี่ยนันทาแปลวเพลินเออนะครับถ้าผมเขียนเจอชื่อผมตรงไหนนะ นั่นท่านชัยยักษ์พี่ขู่อยู่เป็นงงนะต้องเรียนหนังสีอครับแน่ที่ผมเองเ <c ười> คีนภาษาบาลีเฉยนะเป็น อ, อย่างนี้นแต่นี่ถุนล่าอ้วนเลยน้งเพลินอ้วน <c ười> นี่ไแกอ้วนนะแกะชื่อแกชื่อเพลินน่แต่แกอ้วนแกะกะะ็เลยอยู่โพราะว่าถือล่านำหน้าโดยสมัย น, นั้นเมื่อฟ้าพระเจ้าประทําอยู่หน้พระเวฬุวัน วิหาอันเป็นสถาน ท, ที่พระราะทางเยื่อแก่กแกลเข้าพระนคนรลักเพ่พครั้งนั้นพิจุนีถูกน่อม น, นันทางเป็นกรุปปิกาพิจุนีผูวกอตั้งตระกูลของตระกูลแห่งหนึ่งเป็นผู้รับพระตาหาประจำเขาก็ถวายทางให้แก่ประจาถวายหาประจำนะก็แล่ขามบดีนั้นได้ติมลค้าสิรรทังหลายไว้คั้นเวลาเช้าพิจุนีถูกลอมนันทางครองตะลมาส่งแล้วถบาจีวัเข้าไตระกูลนั้น ขั้งแล้วได้ถามข้ามบดินนะว่าดูก่อนท่านามบดีท่านจัดของเคียงของฉันนี้ไว้มากมายทําไมกรผมได้นิมนต์พระเทนทั้งหลายไว้ขอรับดูก่อนท่ามบดีพระเทนะเหล่านั้นคือใครบ้างคือพระคุณเจ้าสารีปุตรพระคุณเจ้ามหาโมคคลานะพระคุณเจ้ามหากัจจายะนะพระคุณเจ้ามหากรติกะพระคุณเจ้ามหากัปปินะพระคุณเจ้าจุมหาจุนทะพระคุณเจ้าอนุรุทธะ พระกุณเจ้าเรือประตะพระกุณเจ้ามารีพระกุณเจ้าอาณนพระกุณเจ้าลาหุนโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแน่แต่แบบองลยครับเป็นหนังคาลสาบบางเอนแต่ถ้าข้าบ้างนะโอ้โหปัมหาถิร่าเนยครับนั้นโชคดีมากนะอ่าทีนี้ดูก่อนข้ามบดีผมว่านันทาผูดอย่างนีครับดูก่อนข้ามบดีก็เมื่อพระถิ่าผู้ใหญ่มีปรากฏอยู่ทําไมท่านจึงนิมนต์พระเล็กๆเล่าโอ้อหหามาเล็กอีกนะ เพราะว่าแกแไปสักฝ่ายแบบ น, นะครับข้าพอดีก็เลยกล่าวว่าพระเด่ราชผู้ใหญ่เหล่านั้นคือใครบ้างครับคือพระคุณเจ้าเทวทัต น, นี่ไงพเพราะแกไปชอบของพระเทวทัต น, นะแกไปเข้าฝ่ายรู้นะครับแกก็เลยว่าเนี่ยพระเด่ราชผู้ใหญ่ของเขานะพระคุณเจ้าโกกาลิกอดาพระคุณเจ้ากักตตะโมลกาติสกาพระคุณเจ้าสันดเทวีบุตรข้าคุณเจ้าสมุทธรัตนนะครับ ก็พวกทําสำนักเพทย์นะพวกนี้นะครับในระหว่างที่พระจุลนันทาพูดค้างอยู่เช่นนี้พอดีพระเจ้าล้านทั้งหลายเข้ามาถึงครับแกกาลังพูดค้างอยู่พระเจ้าล้านเข้ามาถึงพอดีนะนางสังเกตได้ว่าเดี๋ยพระเจ้าล้านที่เข้ามาต้องได้ยินแล้วใช่ไหมครับนางก็เลยกลับคำพูดใหม่นว่าดูก่อนข้ามพอดีถูกแล้วพระเจ้าล้านผู้ใหญ่ทั้งนั้นท่านที่มโนมาแล้วต้องแก้ตัวแก้เัิดนะก็แล้วครับ ข้ามบรี้ก็แม่บอกว่าาะว่าเลนะเมื่อกี้นี่เองแท้แท้ท่านพ่อพระุนจ้าทั้งหลายเป็นพระเล็กๆเดี๋ยวนี้กลับพูดว่าเป็นพระเถรรักผู้ใหญ่เนี่ยข้ามบรินั้นพูดแล้วขับน้าออกจังเรือนแล้วง้ออาหารที่เือวาประจับยังก็เลยอดไปเลยนะเอาสื่อหลักฐานเลาไม่เอาไว้นะ บรรดาภิกษุงากน้ยสันนิษฐานแล้วแผเท่าอยู่เต็มพุทธนาว่าฉไนพระเทวท่านรู้อยู่จึงฉันวิเด บ, บาอันพิสุนีเนี่ยเราให้ถวายและอ่าทูลเรื่องนั้นแต่พระภาคเจ้าทุกองทรงสอบถามทรงติดเตียนแล้วก็ไม่หยั่งจิตามันนี้ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยไม่มีคําว่าอะไรนะไม่แม้แต่เคลื่อนเข้าปางเราเมืก่อนยังไม่มีตรงนั้นนะครับมีแต่ว่าอันหนึ่งพิสุใด อันหนึ่งพิสูรรู้อยู่แชมพิญบาลพิสมีได้นำไปถวายปายตีกันนะก็มีเรื่องของพิสูกรุ่มหนึ่งเกิดขึ้นนะครับสมัยนั้นพิสูกรุ่มหนึ่งบวชมาจากพระนครราชสุดเและได้เดินทางไปยังตระกูลญาคนต้องหลายี่้ตั้งใจจับพัฒหาถวายก็ยากพี่น้องท่านใช่ไหมนะครับด้วยดีใจว่าตอนนั้นนะท่านจริงได้มาก็ท่านบวนแล้วท่านก็ไปอยู่ที่อื่นวันก็กลับมาแล้วก็ดีใจ อันเขาก็เลยจัดอาหารไว้เตรียมถวายท่านนะครับพิสุนีกรุบปิกาของตระกูลนั้นได้บอกแนะนําคนพูกนั้นว่าขอพูกท่านจงถวายปัสกาหแก่พระคุณเจ้าเถิดฝ่ายพิสุรูปนั้นรังเกยียจว่าการที่พิสุ ร, รู้อยู่งชั้นมิถาบา ท, ที่พิสุนีนั่งนําให้ถวายเพิ่งวัปพาจ้าสองห้านไปแล้วดังนี้จึงไม่รับประเคตท่านเลยไม่น้อมนะครับและไม่สามารถจะเที่ยวไปมิถาบาได้ มีสภาได้ขานประการหาแล้วเ้ายอมบนเล่นะสมัยก่อนแล้วถ้ารู้ว่าผิดหรือว่าเขาังเลยใช่ไหมถ้ารู้ว่าผิดผู้เจ้าทรงบัญญัติห้ไแล้วเขาไม่ยอมเขายอมบทเลยไม่ยอมทำผิดข้ามใจเป็นสิ่งพรอานามนะแจ้งความนัง่งเก็บพิสุทธิ์ที่วหลายพิสุทธิ์เที่วหลายได้การนั่นนหละรเรามาภาคเจ้าผู้ดวงก็เลยทรงอนุบัญญัตินะสองอนุญาตว่าดูก่อนพิสุทธ์เที่ยวหลายในเพราะคขาหลังฟาลงไว้ก่อนเราไม่ยั่งให้พิสูจน์ผู้รู้อยู่ ฉัน ม, มีเดบักที่พิษณีแนะนำให้เขาถวายได้นะครับหรือว่าของยากได้ปอนานนะแม้มันได้ปอนปางลาไม่ก่อดก็ชั่วเขาดิฟ้าลบไม่กอนนั่นแหละพอเราถามว่าที่เดียร์น้องเขาเข้าได้หรือเมีคาแนะนาพิษณุนี้เขาจะแนะนาว่าอะไรแนะนำว่าพิษณี้บอกแมผู้ไม่ประสงค์จะถวายค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจถวายท่าที่พิษนี้แนะนำว่าไม่ประสงค์จะทำบุนนั้แต่แรกว่าท่านเป็นนักสวกเนี่ย ท่านเป็นผู้คงแก่เยียมท่านนผู้เชี่ยวชาญในพืชต้นตาตีดอกท่านเป็ น, นพระวิเดทนท่านเป็นพระธรรมกฐินขอท่านังหลายจงทํายทางแก่ท่านเถยก็อท่านทัง้งหลายจงทาบุญแก่ท่านเถิดดังนี้เชื่อได้นให้ถายอันนี้พิคุูละะเพราะิจแจพมต้องทัรู้นะครับอันนี้ไม่ใช่ติกาถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่ต้องอาบันะครับถ้าไม่รู้นี่ไม่ต้องอาบันะครับ แล้วก็อะไรนะเป็นอาบัติตอนไหนล่ะลเราประเทอตั้งแต่ว่าจากฉันต้องตุกตุกฉันก็เป็นไปยื้อทุกคำเกินฉันก็จบนะ